สองวันวันตอนค่ำกับฉันวันก่อนสองวันกับฉันไอ้รู้สึกมันถูกนะมันเปลี่นไม่ค่อยเปลนเป็นแต่ไม่มากยาเนี่ยอันยาน้ํน า, า, นา ม, มาะผลไม้เนี่ยมันถูกอยูอ่เออพอมัทอะไรก็ไม่พอฉันฉันยังไงกันฉันเป็นน้ําปลาหน้าเลยมันเป็นยาเนีหละฉันเป็นยา เราฉันฉันไปแลรกมันไล่ตามร่างกายดีปวดตรงไห น, นตรงไหนมันไปไล่มันไปดันมั น, น, ม น, น, น, มนทําให้ระบบขับย่อยเราเนี่ยดีย่อยดีย่อยสะดวกมันไม่หนาวมากหรอไปใส่หมวกอะไรจนไม่เห็นตาฮนะนะต้องเอาออกดูมันไม่เห็นหนาวเลวยเนี่ยเนี่ยสมัยเราพวกเรานั่งอยู่กับครูบาอาจารย์แม้แต่มาตุ้มไหล่สี่บวกาดตุ่มเดยหนาว มีคกุบาอาจารย์องค์เดียวเท่านั้นเนี่ที่จนเอาผ้าห่มมามาปกไหลเนี่ยนอนหนักหนักนั่นนงพวกเราไม่เคยมีันเลยตามสบายตามใจชอบไม่ได้ว่าดอกเล่าให้ฟังซื่อดอกแม้แต่ไอชายจียวันไม่ไม่กล้า ด, ดึงมาปกตรงนี้นะหนาวจนแปดองศาก็มีนะคือบรรด า, นานเนี่ยไม่กล้าใส่ดอกมีลงตาคนเ็นเลย ไม่ไม่ใช่พูดเอาอย่างท่านนะไม่ใช่นะเล่าให้ฟังว่าเพราว่าร่างกายมันไม่เกินกันเท่าไหร่ผมนี่ออนแอที่สุดอะร่างกายผมเนี่ยออนแอที่นี่พวกเราเนี่ยอยู่ในการที่ดีอยู่ในการที่เหมาะอยู่ในเวลาที่เหมาะแล้วก็อยู่ในโอกาสที่เหมาะถ้าเราไม่พยายามตั้งอกตั้งใจโอกาสดีของเราก็พลาดไปเวลาดีของเราก็พลาดไป ตอนนี้โอกาสดีเวลาดีโอกาสเหมาะาพูดแบบภาษาโลกโลกก็ว่าโอกาสดีนาทีทองของเราที่เราจะตักตัวงเอาความดีเข้าสู่จิตใจของตัวเองเพราะร่างกายทั้งขามันร่วงไปร่วงไปร่วงไปตอนนี้หลงตาก็เพียบลงตาแต่ท่านเพียบเนี่ยท่านจบกิจของท่านหมดแล้วท่านจบกิจของท่านมาห้า0ปีแล้วกับพวกเราแบกกิเลสตั้งดุลนอยู่เตรียมหัวจิตหัวใจด้วยกันทุกคน เราไม่คิดไม่ตื่นตัวกันใครจะมาคิดให้เราใครจะมาตื่นตัวให้เราเมื่อวานก็กลับเมาออดอนเมื่อวานเรามาถึงตอนบ่ายบ่ายสาม ก, กวา่าเราก็ไปไปที่กุฏิเก่าเขาก็ไปทําห้องไปทําห้องปลอดเชื้อให้ท่านทําห้องปลอดเชื้อยังไม่เสร็จพอที่หลวงตา ก, กลับไปก็ไม่มีที่อยู่เลยไปอยู่ไอ้ใต้ทุนกุฏิที่ลงปุรีสร้างใหม่น่ะอยู่ข้างๆกุฏิลงปุรีน่ะ ปกติหลังนั้นก็ยังไม่เรียบร้อยยังไม่สมบูรณ์เลยข้างบนไม่รู้เรียบร้อยอย่างอําน่รูนะ้แต่ข้างล่างก็โล่งๆเห็นเอาพาม่านไปล้อมสองห้อ ง, งล้อมสองห้องแล้วท่านก็อยู่ในนั้นเมื่าแล้วก็อีกด้านหนึ่งใต้ถุนขุดนะั้นก็บปูสาเต็มสําหรับลูกศิษย์นั่งเราเข้าไปเป็นจังหวะเหมาะพอ ด, ดีไอ้พวกหมอเขาในมณฑลปูรีไปที่หน้าห้องของท่านพอ ด, ดีมันเป็นช่วงที่ท่านท่านหลับพอ ด, ดี พวกหมอพิโยร์ตพวกหมอแมวหมอพิโยร์ตพวกหมออดอนหมอศริราชพวกเขาที่มนุพูรีให้ไปนั่งตรงหน้าห้องของเพิ่นแล้วเขาก็รายงานอาการอาภาษณรพอที่มรุรีไม่มีใครก็รดีเลยพอดีเราเดินไปพอดีเรากำลังกลับเทิรนเพิ่นอยู่เพิกลบบับตายอยู่มนุพูรีเรียกไปไปฟังด้วยกัน เขาไงานลุตงตาท่านไปอยู่กรุงเทพได้กี่วันเจ็ดวันหรือแปดวันเจดวันหรือแปดวันโดยปกติปฏิบัตปทาของเพิ่นไปอยู่อย่างนั้นมันก็ขัดมันก็ไม่สะดวกแล้วเมื่อวนันเมื่อวันที่เมื่อวันที่สามเอ็ดนี่ยพระยิงจุฬาพรมามากราบ ก็ได้ยินว่านิมนต์พระราชทานท่านให้อยู่ไปจนถึงวันที่แปดงจนถึงวันที่แปดจนวันที่สามเอ็ดเมื่อวานเมืม่อวานท่านมากรบเมาอดอนพอดีพระราชินีเสด็จเข้าไปไปทำบุญไปทำบุญแล้วก็คงจะ พูดคุยกับลูกศิษย์ลูกหาอยู่ใกล้ชิดและคงทราบในในนั่นแหล ะ, ละเพื่นมันขัดกับอัธยาศัยของเพิ่นรับป่าพระป่าให้เพื่อนอยู่ตามอัธยาศัยของเพิ่นให้นกลับไปอยู่ตามอัธยาศัยของเพิ่นพวหมอก็อะไรอยู่นู่นก็ตามอยู่นี่ก็ตามใช้จริงความหมายไปนูน่นครับ ต้องการเอาไปเช็คไปตรวจเท่านั้นแหละไปตรวจก็เพราะว่าปอดติดเชื้อเป็นเนื้องอกต่อมเป็นเนื้องอกที่ที่ตับก่อนก็มาแล้วเขารายงานวุ่ผูดีตอนนี้เท่าที่ไปตรวจไปเช็คมา เพราะว่าเนื้องอกที่ตับอ่อนแล้วก็น้ำํำในปอดก็ต้องดูดออกเรื่อยแล้วก็เวลาใส่อาหารทางสายยางมันก็สําลักเราก็ถามาสํำลักมันถึงนยังไงมันรุนแรงบางทีถึงกับช็อกได้หมเขาบอกถึงกับช็อกได้จะทํำยังไงลูกปูดีโอเล้วแต่หมอแล้วแล้วแต่หมอ ตอนนี้ล้ปุ๋ยล้ตาเท่ากับรักษาตามอาการไปมีวันนี้วันฉันเสร็จแล้วจะมีการประชมุมกันที่จริงเขากำลมีมันให้เราไปร่วมฉันเสียจแล้วก็ประชุมที่นู่นเพราะว่าเราจะเราต้องไปรับท่านแป๊ะไปด้วยเพราะวันนี้เราต้องเข้าคุงเทพเพอได้นัดเขาไปคุยเรื่องยอดสเ ต, ตเลสยอดเยดีไปคุยที่โรงพิมพ์ สินสยามท่าแปะก็เป็นเจ้าวาดเจ้าของเกียรติยอิยกวงเจ้าของสินสยามเป็นศรัทธาที่อยทํายอดแต่กจรศักดิ์เป็นช่างเรียกมาคุยกันต้องไปนี้ต้องไปรับท่านแปะเข้าไปร่วมประชุมรับฟังประชุมเสร็จก็จะเข้ากรุงเทพ แล้วก็ว่าจะไปนี่ก็ไปลองบินตะบะกระมูนะบินทะบะกระมูนเสร็จแล้วก็ไปผชันที่วัดท่านแปะผชันเสแล้วก็เลยไปนะี่ครับเป็นแปลไปด้วยน้อตาท่านเป็นเสาหลักคำกรรมฐานเราฟังเทศของท่านดิมิเตว่าเราออกนอกโลกนอกทางท่านมิเตวะมิแต่ว่าไม่ได้จี้มีเตเร่ ให้เราเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารให้เรามองเห็นความสำคัญแต่กิเลสในใจของเราแต่ละคนแต่ละตนแต่ละท่านเนียมันเรี่ยวแรงมันไหลเฉียวเกี้ยวกราบบางคนก็ตามได้บางคนก็ตามไม่ได้บางคนก็ตามทานได้ก็อพอจะช่วยเหลือตัวเองได้ บางคนก็ตามท่านไม่ได้ตามท่านไม่ได้ก็คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั่นแหละนอกลู่นอ ก, นอ ก, ก, นอกทางสู้อำนาจของกิเลสไายต่มไม่ได้มันดึงจิตใจตลอดอเยอไปอเพยมากำลังของธรรมมีน้อยกำลังของกิเลสมันมีมากมันก็ดึงไปดึงมาก็สู้มันไม่ไหว สู้มันไม่ได้แท้จริงถ้าสู้ได้อยู่แต่มันไม่ยอมสู้มไม่สู้ไม่ยอมสู้ไม่ยอมอดไม่ยอมทนป ล, ล, ล่อยจิตล่องลอยเรื่อยเปื่อยไปทํากิเลสเนี่ะมันไม่มีไม่มีอะไรเราดูไปแล้วมันไร้สาระจริงๆความคิดของพวกเราการทําตัว ข, ข, ของพวกเราเนี่ยถ้ามันตรงกันข้ามกับ ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านปลูกฝังนี่มันไร้สาระในแก่นชีวิตจิตใจของตัวเองจริงๆไปพิจารณาดูให้ดีนะไปพิจารณาดูให้ดีอะไรในโลกนี้อะไรมันจะมีคุณค่ายิ่งกว่าการศึกษาทําการปฏิบัติธรรมการได้รู้ธทำการได้เห็นทำการได้เข้าใจเรื่องอดัดเรื่องธรรมแม้แต่แวบเดียวน ชั่วฟ้าแหลบแม้เดียวเนี่เราเข้าใจแค่นี้มีสาระมีคุณค่ากับชีวิตจิตใจมากแต่ถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ถึงจิตถึงใจก็ทําให้เรานี่หลงเพลิงอยู่กับอำนาดของโลกเส น, น่ห์กลอบายมายาของโลกเสน่ห์กลมายาอุบายของโลกก็คืออุบายของกิเลสมันจะมีอะไรถ้าเราศึกษาเราย้อนไปเราต้อไปเจอมันทั้งนั้นะ่ะ วิ่งชนมันทบๆเลยเลยชนตัวกิเลสนันแต่เราไม่เคยสนใจเราสนใจเราดึงทำเข้าไปกิเลสมันมีกําลังมา ก, กว่าดึงไปชนกับมันกับแพ้มันทุกครั้งดึงไปชนกับมันกับแพ้มันทุกครั้งความอยากความเห็นแก่ตัวแล้วดูความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวในใจของเราเราลองเราลองวินิจฉัยลองดูมีอะไรอยู่ในนั้น ความเห็นแก่ตัวลองพินิดใช้ดูมีอะไรอยู่ในนั้นกินหิวมา ก, ก, ก, ากมา ก, ก็เห็นแก่ตัวอยากเล่นมากๆก็เห็นแก่ตัวอยากนอนมากๆก็เห็นแก่ตัวอยากทําใจตัวเองมากๆก็เห็นแก่ตัวอยากเที่ยวสนุกสนานเพลินเพลินไปตามใจใเห็นแก่ตัว<ม>โกรธจัดก็เห็นแก่ตัว รักจัดพอใจจัดยินดีจัดก็เห็นแก่ตัวเราดูไปในตัวเห็นแก่ตัวมันคืออะอะไรมันพาเห็นแก่ตัวต้องเปิดไปอีกชั้นหนึ่งอะไรมันพาเราเห็นแก่ตัวเปิดเข้าไปีิเปิดเข้าไปเท่ากับย้อนไปเพื่อจะไ ป, ไปเผชิญหน้ากันกับกิเลสนั่นแหละปัญหาความยากนั่นแหละ ความเห็นกันับตวแต่ละอย่างแต่ละอย่างคือความอยากในจิตของเราแต่ละแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละครั้งแต่ละครั้งความอยากมันทลักออกมามันแสดงออกมาอยากพอใจเอนะาใจใจตัวเองก็คืออะไรก็คือความอยากอทิฏฐิมานะให้กับตัวเองก็คืออะไรคือความอยากอะไรคนนั้นดีกว่าเราคนนั้นเร็วกว่าเรา เพ่งออกไปคือความอยากดูไว้ตัวความอยากตัวนี้แหละเป็นตัวสมุทรไทยกอบโกยกองทุกข์ทั้งหลายเข้าไปนี่คือสาเหตุต้นต่อของกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่พเราพยายามดินนนด้นไปนู้นดิ้นไปนี้เราก็คิดว่าเราแก้ทุกข์คิดว่าเราสนองทำและคิดว่าเราพยายามแก้ทุกข์แต่ด้วยเหตุที่เราละเอียดไม่พอกลายเป็นมันหยิบยืมจิต ข, ของเราเนี่ยยินยาน จิตวิญญาณของเไปใช้เพลินไปกับมันเป็นวันเป็นวันเป็นวันเป็นวันโอกาสที่จะมองเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารมันมองไม่เห็นเห็นไม่ได้มันมองเห็นไม่ได้มันบังอยู่ฉากเดียวนั่นแหละพลิกถ้าเราจะพยายามพลิกดูไปให้เห็นมันก็ไม่ต่างอะไรกับเราพลิกเหออยญนั่นแหละเราดูข้างหนึ่งจะเห็นข้างหนึ่งพลิกมาอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็หายไปอีกข้างหนึ่งก็โผล่มา เราพลิกข้างธรรมขึ้นมาเนี่ยข้างกิเลสมันก็ไปอยู่ข้างหลังธรรมพอเวลากิเลมันมาทํางานธรรมะก็อยู่ข้างหลังกิเลนั่นแหละมันอยู่หลังจากชั่วพริบตาเดียวเราดูอวิชชาในจิตของเราเชั่วพริบตาเดียวชั่วเส้นผมบางภกเขายามย้อนมาที่จิตของเราบ่อยครั้งเข้าเราจะเห็นอวิชชาความโง่ของจิตเนี่ยทําไมเราจรึงว่าจิตเราโง่ ก็พาะจิตของเรานี่มันหลงเพลินในกับความอยากมันมากระซิบกระซาบแป๊บเดียวเพลิ้ไปแล้วเพลิไปแล้วลงไปแล้วก็ถึงไหนก็ไม่รู้แหละไปวิ่งตามหลังมันเดินตามหลังมันเตยเตยเ ย, ยไปสร้างงานสร้างการให้กับมันไม่รู้เท่าไหร่ยืดยาวไปเท่าไหร่ม่รู้กว่าจะรู้สึกตัวบางทีทําไปจนจบมารู้กี่อย่างแต่กี่อย่างยังไม่รู้สึกตัวนี่ละเอียดมันละเอียดทั้งนี้เนี่ใครจะมาทําให้เรารู้สึกตัวได้ เรามีหมู่เพื่อนเรามีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ตั้งแต่ผู้ใหญ่ลงมาจนถึงผู้น้อยเหมือนกับเป็นเพื่อนเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มีหมู่เพื่อนเราอุทิศตั้งอกตั้งใจศึกษาทำปฏิบัติธรรมไม่รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังซึ่งกันและกันเป็นกําลังจิดกําลังใจแต่กันและกันแต่พยายามอย่ามา ทำให้เป็นการบันทอนกําลังจิตกํกกลกาลังใจแก่กันและกันกทำนั่นแหละสหรับผู้ที่ตั้งอกตั้งใจดีเรามาศึกษาเรามาพูดมาคุยมาศึกษามันก็เป็นกําลังจิตกําลังใจแก่กันและกันก็ทําให้เราได้กําลังใจแก่กันและกันพูดถึงว่าเหตุปัจจัยรอบข้างตัวเราไม่อดไม่อยากที่เราจะคว้ามาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวเองนีอยู่ หมู่เพื่อนที่เราจะยึดจะถือพอเป็นกําลังจิตกำลังใจใกับตัวเอนก็มีอยู่ผู้บาอจารย์ตั้งแต่ผู้น้อยไปจนถึงผู้ใหญ่ก็มีอยู่มันสำพัญเราจะสนใจเราจะย้อนจิตของเราให้หันมาสนใจตรงนี้ขนาดไหนแค่ไหนเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญโลกนี้ก็คือโลกหมุนไปตามเรื่องของโลกนี่ปีใหม่ปีเก่าหมุนไปตามเรื่องของโลก สมมติเอาเฉยๆธรรมชาติของมันก็คือมีอยู่แค่นั้นเองมันเป็นหลักของธรรมชาติอยู่งนั้นเองมีอยู่อยนั้เองเป็นอยู่อย่างนั้นเอ ง, เอ ง, เองมันจะมีอะไรผู้ที่ทุกข์ที่แท้จริงไม่ใช่ดินทุกข์ไม่ใช่น้ําไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟทุกข์ด้วยเหตุที่จิตผู้รูร้นี่แหละมันมาหลงยึดยึดดินยึดน้ํายึดลมยึดไฟนี่แหละตัวนี้แหละเป็นตัวทุกข์ทําไมไมายึดถึงทุกข์ก็มายึดแล้วก็ หมายเอาคาดเอาเดาเอาสาคัญมันหมายว่าเป็นตนว่าเป็นของของตนแต่ภาวะนั้นมันก็เป็นไปตามภาวะของมันดินก็เป็นไปตามภาวะของดินน้าลมไฟก็เป็นไปตามภาวะของมันมาประ ก, กอบกันมาเกาะกลุ่มกันเป็นอัตภาพร่างกายของเรามันก็เกาะกลุมกันอยู่ได้ด้วยอำนาจของกรรมมันก็เป็นไปตามภาวะเป็นไปตามคติของมันเราจะต้องต้องการไม่ให้เขาแก่มไม่ให้เขาเจ็บไม่ให้เขาตาย เราก็ท so so no ุกข์เปล่าๆต้องการไม่ให้แก่มันก็ต้องแก่เพราะเหตุปัจจัยของมันมันพาให้แก่ความอยากของเรามันไม่ใช่เหตุปัจจัยที่ทำให้มันหายแก่ที่มันทำให้มันหายเจ็บที่มันทำให้หายตายหรือไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเอาความอยากไปอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายเพราะความอยากมันเป็นเรื่องของจิตมันเป็นเหตุปัจจัยอีกอันหนึ่ง ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายมันเป็นเหตุปัจจัยอีกอันหนึ่งของมันมันคนละเหตุคนละปัจจัยเราเอาเหตุปัจจัยอันหนึ่งไปฝืนอีกกับเหตุปัจจัยอีกอันหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เหมือนเหมือนไฟกับน้ำอะมันเป็นไปไม่ได้เอาน้ำไปรวมกันกับกองไฟกองไฟก็ต้องมอดไป ก็มันแผ่นน้ำมันรวมกันไม่ได้เหตุปัจจัยมันคนละเหตุคนละปัจจัยมันจึงรวมกันไม่ได้ถ้าเราจะเทียบไฟก็เหมือนกับเป็นนามมาทมน้ำเหมือนกับเป็นรูปธรรมเอาไปรวมกันมันก็รวมกันไม่ได้อยู่ดีแต่มันมาเกิดกันด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันอีกเหมือนกันนั่นแหละรูปธรรมอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัย เป็นวิบากกรรมเป็นผลกรรมของนามธรรมเช่นเดียวกันเพราะมันเป็นวิบากกรรมวิบากกรรมนี่เป็นผลผลของจิตเป็นผลของผลของนามธรรมนี่มันสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างนี้มันผูกพันกันอยู่อย่างนี้มันสับไปมันสับมามันสลับซับซ้อนสิ่งที่ทำให้สลับซับซ้อนก็คือก็คือผู้รู้ก็คือธาตุรู้นั่นแหละเวลามันหลงเพลิน อยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสมันก็สลับซับซ้อนไปตามอำนาจของกิเลสมันไปพูดชั่วไปคิดชั่วไปทำชั่วเพื่อได้มาด้วยอุบายที่ชัวช่วชั่วนีมากมายมหาสาลที่มันคนอุบายมายาที่มันจะพลิกแผลงไปตามคนตาอุบายมายาของกิเลสถ้ามันอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสถ้ามันอยู่ภายใต้อำนาจของธรรมธรรมก็ยิ่งวิจิตพิสดารมากไปกว่านั้นเพราะธรรมกับกิเลส ทำต้องชนะกิเลสธรรมะธรรมก็คือรู้เข้ามาชัดเจนเข้ามาแจ่มแจ้งเข้ามาการที่จะรู้ใจชัดเกณฑ์จะเข้าใจก็ต้องย้อนหันมาดูกายตัวเองย้อนหันมาดูจิตข้างตัวตัวเองเพราะจิตของเราเป็นนามธรรมกายของเราเป็น ร, ปปรูรปธรรมรูปธรรมของเรามีทุกข์ประจําเป็นทุกข์กับสภาวะ ตามความมีความเปลี่ยนของมันมันเกิดขึ้นมัตั้งอยู่มันก็เปลี่ยนไปเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็เปลี่ยนไปือคงมันอย่างร่างกายมันหิวเราก็ทุกขึ้นมาแล้วร่างกายมันหนาวเราก็ทุกเข้ามาแล้วร่างกายมันร้อนเราก็ทุกเข้ามาแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยได้โรคภัยไข้เจ็บโรกนี้โรคนี้มันก็ทุกข์ขึ้นมารูปธรรมมันก็มีมันก็เป็นตามภาวะของมันมันเปลเป็นตามภาวะของมัน แต่เราก็ไปยึดไปถือไปกระไปเขียนให้เป็นไปตามไปตามใจว่ะมันเลยเป็นไปไม่ได้นี่เราถ้าเราไม่ย้อนมาเราไม่รู้เราไม่เห็นเราไม่เข้าใจเรามีแต่ยึดอย่างยยดอ่างเดียวว่ากายเราว่ากายของเราเราจะไม่เจ็บเราจะไม่ป่วยแต่ผู้ที่รู้ว่าเราจะไม่เจ็บเราจะไม่ป่วยนี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่รู้แต่ผู้ที่รู้ว่าเราจะไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยไม่อยากทุกข์ไม่อยากทรมานแต่ผู้นี้มันไม่ใช่รู้ แต่ผู้ที่จะเจ็บจะป่วยจะทุกข์จะทรมารมันไม่ใช่ผู้นี้มันเป็นมันเป็นอีกผู้หนึ่งมันเป็นรูปธรรมมันเป็นรูปวัตถุแต่ตอนนี้ผู้รู้คือนามธรรมมันมาเกาะมาเกาะกลุ่มรูปวัตถุก็เลยทําให้รูปวัตถุนี้ทำประโยชน์ต่างๆได้พูดได้คุยได้ทํางานทําการได้ทําอะไรแต่ อ, อะไรได้อผู้รู้ก็อาศัยตัวนี้แหละเป็นถ้ำเหมือนกับถ้ำอยู่ออกมา ท่องเที่ยวอยู English, thrill, ul, ่ในจักรวาลของมันจักรวาลของมันไปจักรวาลตาหูจมูกลิ้นลายใจจักรวาลของมันมันออกมาท่องเที่ยวอยู่โดยปกติของจิตเนี่ยมันท่องเที่ยวไปไม่มีไม่มีไม่มีขอบไม่มีเขตท่องเที่ยวไปไม่มีขอบไม่มีเขตเราลองนึกวาดภาพไปดีกี่โลกอ่ะดวงดาวกี่ดวงดาวโลกกี่โลกบนโลกเนี่ท่องเที่ยววาดมนุษาดไปดี นึกไปคิดไปเดาไปคาดไปหมายไปมีความความวิจิตพิสดารของนามธรรมเพราะฉะนั้นพอเวลามันเป็นเครื่องมือของกิเลสมันจึงวิจิตพิสดารทําให้เราหลงหลงแบบง่ายๆมันต้องย้อนเข้ามาศึกษาศึกษารูปธรรมแล้วก็มาศึกษานามธรรมการ ท, ท, ที่เราจะรู้สึกศึกษา รูปธรรมให้รู้ให้เข้าใจเจ่มเจ่มชัดเกลีการที่เราจะศึกษานามมันทําให้ ร, รู้ให้เข้าใจเจ่มแข้มชัดเกลีเราย้อนมาอยู่แล้วแต่ถ้าหากเราไม่พยายามทำจิตให้ได้รับความสงบเพื่อมีกําลังให้เป็นพลังเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการฝึกฝึกฝนอบรมมาสอดรู้สอดเห็นเรื่องของรูปเรื่องของนามมันก็ทําให้เป็นไปยากเพราะฉะนั้นวิธีสมถะ วิปัสนาพระพุทธเจ้าท่านจิงสอนสมถวิปัสนาวิธีเนี่แหละเป็นวิธีที่จะทําให้เราย้อนมาศึกษาเพื่คนอบรมตัวเองให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจใเกิดความฉลาดวิธีอื่นรู้ได้ยากเข้าใจได้ยากเหมือนอย่างพวกหมอเนี่ยมันจะเป็นหมอแขนงใดก็ตามเขาไม่ได้ศึกษาเรื่องนามธรรมาพวกหมอน หมอผ่าตัดหมอกขาดูหมอเส้นหมอเอ็นหมออะไรก็ตามเขาอยู่จำเจอยู่อย่างนั้นนะแต่ก็ไม่ทำให้เกิดเบื่อเกิดหายเกิดคลายเกิดจงังเกิดความรอบรู้ว่าร่างกายมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันตั้งอยู่ได้ยังไงมันดับไปได้ยังไงเขารู้ได้วยว่ามันตั้งอยู่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันดับไปแค่แค่แค ต้นเหตุคือรู ป, ปธรรมแต่ต้นเหตุที่เป็นนามนธรรมเป็นเรื่องของกรรมที่มาจะาจิตเขายังไม่รู้เขาไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นอยู่จําเจกับรูปมาเป็พาตัดทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันอยู่กับรูปอสุภะทุกวันทุกวันเหมือนอย่างเสือนิคราวที่แล้วตัวรูปหน้าเบือ่อหน้า น, า, นายถ้าพาะะิจารณาในแง่ของกรรมฐานเลยหน้าเบือ่อหน้านายแต่ก็เฉย อยู่ไปอยู่มาก็เฉยเฉยชินชาเนือ่องจากไม่ได้พิจารณาเห็นสาเหตุต้นต่อของมันที่แท้จริงก็ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีย้อนมาฝึกฝนอบรมตนตนเองให้จิตสงบอ่าจิตมันสงบไม่ได้เกลียอมันแทรกเพราะฉะนั้นให้มันให้มันสงบอยู่กับอารมณ์มันเดียวบริกรรมพุทโธพุทโธให้จิตได้รับความสงบตราบใดที่เราไม่พิจารณา ให้เราพยายามรักษาระดับจิตของเราเอาไว้คือพุทโธพุทโธพุทโธยืนเดินนั่งนอนก็รักษ า, าไว้มีสติกำกับมีกับพุทโธเอาไว้รักษาเอาไว้ย้ายมันตกต่ำไปรักษาระดับของจิตของเราเอาไว้ยืนภาวนาเดินภาวนาเราเคยสงบอยู่แล้วเราเพียงแต่กำหนดไปตรงอาการที่เราเข้าสงบนะ่ยกำหนดก็จิตมันก็แน่วไ อ, อยู่ รักษาย่างนี้อยู่หนึ่งเมืองรักษาย่างนี้อยู่บ่อยๆเราหากเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแปลกปรลาดอัศจรรย์ในหัวใจของเราจากนั้นแล้วเราก็ออกพิจารณาคี่กลายออกพิจารณาคลี่คลายเาว่ามันหลงหลงกายมาพิจารณากายหลงรูปก็พิจารณารูปหลงเวทนาพิจารณาเวทนานะีให้เห็นว่าเวทนาก็สักว่าเป็นเวทนาคือเวทนาขันนั่น ดูให้เห็นชัดศักดิ helmet, ท่อาเวทนากันหลงสัญญาก็ให้พหรรริจารณาสัญญาให้เห็นที่ว่าสักแต่ว่าเป็นสัญญาขันมันละเอียดนะดูดูให้เห็นสังขารให้เห็นสักดิว่าเป็นสังขารและขันไม่ว่าจะเป็นสังขารปรุงแต่งรูปไม่ว่าจะเป็นสังขารปรุงแต่งนามสังขารที่ปรุงแต่งนามคือสังขารที่ปรุงแต่งใจมันเป็นยังไงสังขารปรุงแต่งใจ มันปรุงแต่งให้เรานึกในทางคุสนเป็นทางบุญที่เรียกว่าปุญญาพิสังขารปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ใช่บุญอคุปัญญาพิสังขารมีเป็นสังขารปรุงแต่งจิตปรุงแต่งให้นึกคิดเรื่องดีปรุงแต่งให้นึกคิดเรื่องเรื่องบุญปรุงแต่งให้นึกคิดคิดเรื่องบาปเราดูภายในจิตของเราเรารู้ได้ไหมเรารู้ได้มันคิดนึกคิดเรื่องบุญ มันนึกคิดเรื่องบาปนีสังขารปรุงให้มันคิดเป็นสังขารเป็นสังขารจิตแม้แต่จิตที่สงบเนี่ยอนเนนชาพิสังขารนเนี่ยอเนญชาพิสังขารความสงบนิ่งของจิตมันก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นความสงบจึงเป็นสมมุติความสงบที่เราฝึกฌานสมาบัติได้ที่เป็นสมมติใครฝึกได้ก็เป็นวิหารธรรมของคนนั้น สำหรับเข้าไปเป็นเรือนพักเข้าไปเป็นที่สงบสิ่งเหล่านี้ครูบาอาจารย์ตระเทศเราฟังเราเข้าใจท่านว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสมมุติเช่นอย่างรูปประัานก็ตามอารูปประัานก็ตามสัญญาเวทยึดหรือนิรอดก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตไม่ใช่จิตจิตผู้บริสุทธิ์ที่แท้จริงไม่มีไม่มีอะไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จิตฝึกได้ เวลานั้นจิตก็เข้าอยู่ความสงบจิตเข้าอยู่คุณสมบัติของจิตปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอัญชาพิสังขารอั น, นเป็นสังขารตรุงแต่งจิตสังขารปรุงแต่งกายก็คือดินน้ำลมไฟเราก็พิจารณาเข้าไปโครงสร้างของเราเราได้มาจากพ่อจากแม่พ่อแม่สังฐานของพ่อแม่ประกอบกันเกิดในท้องแม่ เราก็ได้โครงสร้างมาจากพ่อจากแม่ไม่มีอะไรเป็นของเราดูดูให้ดีมีอะไรเป็นของเรานมื่อนางสร้างที่เราได้มามีอะไรเป็นของเราไม่มีโครงสร้างได้มาจากพ่อจากแม่่ uest. พ่อแม่เลยกลายเป็นเหตุเป็นปัจจัยของรูปธรรมของเรารูปธรรม ท, ทีง่ง่ายง่ายรูปธรรม ท, ที่เติมเอิมเพิ่ม เป็นปัจจัยที่ง่ายๆที่เรามองเห็นแต่ลึกเข้าไปละเอียดเลยนั่นไปอีกก็คือเรื่องบุญเรื่องกรรมที่มีอยู่ภายในจิตน่ที่มีอยู่ภายในจิตนีที่มันมาเกาะมากุมรูปธรรมอ น, นั้นให้เจริญวัฒนาท้าวร์ขึ้นมาทั้งขานก็ไม่ใช่เพืออะไรก็คือดินน้ําลมไฟเมื่อกำเข้าไปเกาะกุมให้เจริญวัฒนาท้าวรขึ้นมาออกมาจากท้องแม่ เหตุปัจจัยอันนั้นเราได้มาแล้วโดวยเหตุที่สังขารมันเสื่อมไปมันชิ้นไปเราก็ใส่เหตุปัจจัยเพิ่มเข้าไปเหตุปัจจัยคืออะไรคืออินคือนา้าคือลมคือไฟคืออาหารนั่นแหละข้าวปลาอาหารนั่นเราก็ใส่เข้าไปเราดูให้เห็นรูปใ ห, เ ห, ปใหเห็นปัจจัยรูปพันสันฐานมีมือมีตีนมีลําตัวมีหัวมีความนึกความคิดอะไรเหมือนภาวะของความเป็นมนุษย์ทั่วไป มันก็เป็นสิ่งที่ได้มาด้วยบุญด้วยกรรมของเราพวกสัตว์เขาก็ได้มาด้วยบุญด้วยกรรมของเขามนุษย์ได้มาด้วยบุญด้วยกรรมของโดยเหตุที่กรรมไม่เท่ากันก็มนุษย์ก็ได้ดีบ้างได้ไม่ดีบ้างมีกฤตวิการบ้าไบร่ด้วยอาจกรรมที่มันหนักหนาสาหัสบ้างมันไม่เท่ากันอยู่ดีมีสุขบ้างทุกอย่างลําบากกันด้านบ้างอยู่อย่างทุกอย่างทรมานบ้างเกิดมาทันเห็น ไม่ทันเห็นตะวันเลยไม่กี่วันตายไปก็บ้างบางครับตายไม่ท้องบ้างออกมายังไม่เห็นตะวันเลยตายก็บ้างสองปีสามปีตายบ้างสิบปียี่สิบปีตายมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนรู้เป็นธรรมรวมไปถึงบาปกรรมที่เกี่ยวข้องที่ผูกพันมากับจิตดวงนี้มัน ส, สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้เราพิจารณามาอย่างนี้ทําให้เราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิ ทำให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรรูปธรรมเป็นรูปธรรมนามธรรมเป็นนามธรรม ท, ที่เรามายึดถือจนเป็นเหตุให้เกิดรูปธรรมเกิดนามธรรม น, นี้ก็เราะอำนาจของความอยากคือกิเลสภายในจิตเราย้อนไปดูภายในจิตถ้าเห็นตัวความอยากมันกระดุกกระดิกคลิ้บแผลงไปแต่ละฉากแต่ละฉากแต่ละฉากเราจะเห็นความอยากที่มันแสดงออกมาเปนเยอะมากมาจากนั้นแล้วความรู้ความเข้าใจโดยธรรมของเราก็จะเริ่มเกิดขึ้นมีขึ้น พวกเราอยู่ท้ำกลางให้ทุกคนตั้งอดตรงใจทั้งการ่างกายของเราของท่านล่วงไปทุกวันทุกวันทุกวักนใครจะอยู่ได้ก็เหมือนอย่างที่ป่ารบถึงล้งตาอายุเก้าสิบแปดตอนนี้ท่านก็เพียบอยู่พวกเราไม่ระลึกนึกถึงท่านไม่ระลึกนึกถึงตัวเองพวกเราก็จะ มันจะกลายเป็นคนหมกอยู่ในโลกต่อไปไม่จบไม่สิ้นเลยเอาละพอสมควร